ของพระบรมศาสดาพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนทรงเตือนก่อนที่จะทรงจากพวกเราไปในพระปัชชิมโมวาดไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา ชงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดนี่แหละคือคำสอนคำครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนตั้งแต่ในวันเพ็ญเดือน8วันอาสาหาบูชา สองเดือนหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุพระธรรมอันประเสริฐก็ได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้มันทำประโยชน์ให้กับตนก่อนเมื่อทำประโยชน์ให้กับตนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปทรงสอนคำคำสั่งคำสอน เหล่านี้ตลอด45ปีด้วยกันจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก่อนที่จะจากพวกเราไปพระอมก็ทรงเตือนไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าจงอย่าประมาทในสังขารทั้งหลายเพราะสังขารทั้งหลายนี้เป็นของชั่วคราว มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาก็คือร่างกายของพวกเราทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในขณะที่เรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราควรที่จะรีบมาทำประโยชน์ให้กับตัวเรา เมื่อเสร็จประโยชน์แล้วเราได้รับประโยชน์แล้วก็ให้ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปด้วยความไม่ประมาทความประมาทเกิดจากอะไรความประมาทก็เกิดจากความหลงลืมในความเป็นจริงของสังขารร่างกายนี้เองว่าเป็นของไม่เที่ยง เมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายวิธีที่จะทําให้ไม่ประมาทก็คือต้องระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะเวลาใดที่เราไม่เ ล, ลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะลืมเราจะเผลอ แล้วเราก็จะคิดว่าเรายังมีเวลาอีกมากมายเราก็เลยไปทำเรื่องอื่นแทนที่จะมาทำสิ่งที่เราควรกระทำกันคือมากําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปเพราะว่าไม่มีอะไรที่ร้ายกาจกว่าความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้เอง ถ้าไม่ได้กําจัดความทุกข์ต่อให้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองน้อยล้านพันล้านต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ยังต้องเจอกับความทุกข์อยู่ดีเพราะการเป็นคนร่ํารวยเป็นประธานาธิบดีเป็นผู้ใหญ่โต ไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้การที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปภายในใจจำเป็นที่จะต้องมาศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าวิธีการที่จะดับความทุกข์ต่างๆ ภายในใจนี้ทําได้อย่างไรเมื่อได้ศึกษาได้รู้แล้วก็ให้นําเอาไปปฏิบัติต่อไปเมื่อได้ปฏิบัติแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะถูกกําจัดจนหมดสิ้นไปจากใจเมื่อไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ต้องพบกับความทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเมื่อสามารถทำประโยชน์ให้กับตนเองได้แล้วก็นำก็ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญได้ทรงปฏิบัติมาในเบื้องต้นพระองค์ทรงทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษา กับการปฏิบัติเพื่อตัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปก่อนช่วง6ปีแรกของการศึกษาของการปฏิบัติของการบวชเรียนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปช่วยเหลือใครไม่ไปยุ่งกับใครมีหน้าที่อย่างเดียวคือมาปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในพระไทยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปก่อนพอได้ทรงทําได้สําเร็จหลังจากที่ได้ทรงบวชเรียนอยู่หกปีก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาพอได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วภารกิจส่วนตัวก็เป็นอันสิ้นสุดลง กิจในพรหมจรรย์ไม่มีอีกต่อไปแล้วไม่มีอะไรเจ้าต้องปฏิบัติไม่ต้องศึกษาอีกแล้วเพราะว่าปัญหาคือความทุกข์ใจได้ถูกกรมจัดให้หมดสิ้นไปแล้วหลังจากนั้นพระองค์จึงมาพิจารณาในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป ก็ได้ทรงตัดสินพระไทยที่จะสอนพระธรรมคำคความรู้ที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้ให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ยังคล่องติดอยู่กับความทุกข์ต่างๆให้ได้หลุดออกจากความทุกข์ต่างๆไปจึงได้ประกาศพระธรรมคำสอนคำสอนเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปดที่เราเรียกว่าวันอาสาหาบูชา และได้บำเพ็ญหน้าที่ในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเป็นประจำทุกวันเป็นภารกิจที่เราเรียกว่าพุทธกิจ5คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทุกวันคือเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่บุคคลต่างๆในยามบ่ายก็ทรงสั่งสอนศรัทธาญาติโยม ใ น, ในยามในยามค่ำก็สั่งสอนภิกษุภิกษุณีและสา ม, มเณรในยามดึกก็สั่งสอนเทวดาในยามเช้าก่อนที่จะทรงเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงเร็งญาณดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นบุคคลใดที่พร้อมที่จะรับธรรมมันประเสริฐและอาจจะ มีเหตุที่จะทำให้ชีวิตของบุคคล น, นั้นหมดไปก็จะส่งไปโปรดบุคคล น, นั้นก่อนแล้วพอสว่างก็ส่งเสด็จออกบินทบาทโปรดสัตว์นี่คือภารกิจของผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ทำภารกิจอย่างอื่นทำภารกิจคือการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะเพราะว่า มีธรรมะเท่านั้นที่จะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปได้พระองค์จึงไม่สนใจกับการสร้างฐาวบารวัตถุต่างๆพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดไม่เคยสร้างโบสถ์ไม่เคยสร้างเจดีย์วัดวาอารามต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธการไม่ได้เกิดจากการดำริเกิดจากการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแต่เกิดจากการดำริการปฏิบัติของศรัทธาญาติโยมภูิที่มีความสามารถทางด้านทรัพย์สินเงินทองที่ได้บริจาคสร้างท่าวาลวัตถุต่างๆ สร้างถวายให้กับพระพุทธเจ้าส่วนตัวพระพุทธเจ้าเองนี้สงวุ่งไปที่การสร้างพระอรหันตสาวกสร้างพระอริยสงสาวกในระดับต่างๆนี่แหละคือตัวอย่างอันเลิศอันประเสริฐของชาวพุทธเราที่พวกเราชาวพุทธถ้าปรารถนาความสุขความจเจริญ ความสิ้นสุดของความทุกข์ต่างๆควรที่จะเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้ามาเป็นในแนวทางของการปฏิบัติของเราถ้าเรายังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถ้าเรายังมีความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรา ควรที่จะทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจของพวกเราให้กับการกําจัดความทุกเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปก่อนเถิดอย่าไปทำภารกิจอย่างอื่นเพราะจะทำให้ไม่สามารถมาทำภารกิจที่สำคัญนี้ได้แล้วภารกิจสาคัญนี้ก็จะดองจะแช่อยู่ไปเรื่อยๆมื่อแต่ไปทาภารกิจอย่างอื่น ก็จะทำให้เสียเวลาอันมีค่าไปแล้วถ้ามานึกได้ก็อาจจะสายเกินไปว่าโอ้ยชีวิตของเราทั้งชีวิตมัวไปทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่มาศึกษาไม่มาปฏิบัติมากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปมัวไปหา ลาบยศสันตเซนมัวไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะกันซึ่งเป็นการกำจัดความทุกข์แบบชั่วคราวแบบควันไฟกำจัดได้เดี๋ยวเดียวแต่ไม่สามารถกำจัดให้มันหายหมดไปได้นี่แหละเราจึงต้องมีอะไรมาคอยเตือนใจพวกเรา ให้พวกเหล่านี้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทการที่จะทำให้เราไม่ประมาททำให้พวกเรามีความกระตือรือร้นต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมาคอยสอนใจมาคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆนั่นเอง เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงถามพระอนน์ว่าอานนนวันวันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งเนี่ยพระอนน์ก็ตอบว่าวันละสามสี่ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกอนุนเธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่การที่เธอจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเธอต้องทำอย่างไรรู้ไหม เธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเช่นให้ระลึกว่าตอนนี้เราหายใจเข้าถ้าเราไม่หายใจออกเราก็ตายตอนนี้เราหายใจออกถ้าเราไม่หายใจเข้าเราก็ตายต้องระลึกแบบนี้ทุกลมหายใจเข้าออกถึงจะสามารถปิดความไม่ประมาตปิดความประมาตได้ พอเวลาใดที่เราเผลอไม่ระ ล, ลึกถึงความตายเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะถูกความหลงมาหลอกให้เราไปกำจัดความทุกข์แบบชั่วคราวกันกำจัดความทุกข์ด้วยการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะ ที่ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงพอเราถึงเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาจะตายตอนนั้นเราก็จะเพิ่งมารู้สึกตัวว่าเรากำลังแก้ปัญหาแบบวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะความทุกข์มันก็ยังมีเหลืออยู่ภายในใจเราเหมือนเดิมตอนนั้นพอจะมารู้สึกตัวก็จะสายไป เพราะว่าตอนนั้นถ้าแกรือเจ็บรือจะตายก็จะไม่มีกำลังวังชาไม่มีความสามารถที่จะมาปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้แต่ถ้าเราระลึกตั้งแต่บัดนี้ตอนที่เรายังแข็งแรงตอนที่เรายังมีกำลังวังชาเราก็จะได้ สำรวจ ด, ดูการกระทําของเราว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังกําจัดความทุกข์แบบถ้าวรแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรากําจัดกันหรือว่าเรากําลังกําจัดความทุกข์แบบชั่อข่าวกําจัดแบบความหลงที่หลอกให้เรากําจัดแบบนี้กันที่เราจะต้องมาเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้ ตอนที่เราไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ได้ตอนที่เราแก่ตอนที่เราเจ็บตอนที่เราจะตาย่เราจะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆถึงแม้จะเป็นแบบชั่วคราวก็กำจัดไม่ได้อย่าว่าแต่การกำจัดความทุกข์แบบถาวรเลย อากนั้นเราก็จะมารู้ว่าชีวิตของเรานี้หมดไปแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรคือเป็นแบบว่าตายเกิดมาแล้วก็ตายไปเปล่ า, าไม่ได้อะไรไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะรับที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งคือประโยชน์จากการ ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่นานๆานจะมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีใครสามารถที่จะ ยุติความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้จะต้องเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆตายจากภพนี้ก็จะไปเกิดในภพหน้าเกิดในภพหน้าก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายในภพหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ ที่จะสอนวิธีการยุติการเกิดแก่เจ็บตายกันสอนวิธีกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปกันถ้าได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกลับตั้งอยู่ในความประมาทคือไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า มัวแต่เอาเวลาไปกำจัดความทุกข์แบบชั่วคราวความการกำจัดความทุกข์แบบที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดคือการใช้ลาบยศสัลเสิญใช้ความสุขทางตาหูจมูกิืนกายนี้เองที่พวกเรากระทำกันอยู่ทุกวันนี้พวกเรากำลังกำจัดความทุกข์แบบไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าวิตน้ำก็วิตน้ำในในเรือที่ที่ที่มีรูรั่ววิตไปเท่าไหร่น้ำมันก็ไม่มีวันหมดวิตไปแห้งปั๊บเดี๋ยวน้ำมันก็ไหลเข้ามาใหม่วิธีที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมเรือก็คือต้องไปอุดรอยรั่วของเรือไม่ใช่โมแต่ไปคอยวิตน้าวิตเท่าไหร่น้ำมันก็โผล่กลับเข้ามาอยู่เรื่อย แต่ถ้าสามารถไปอุดดูรั่วของเรือได้น้ําก็จะไม่เข้ามาอีกต่อไปเรือก็ก็ไม่ต้องมาวิทน้ําให้เหนื่อยวิดเพียงครั้งเดียวก็พอพอวิดแห้งเห็นรูเห็นรอยรั่วของรูของเรือก็ไปอุดมันเสียพออุดแล้วทีนี้น้ําก็จะไม่เข้ามาในเรือนี่แหละคือวิธีการ กำจัดความทุกข์ต่างๆของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงกำจัดด้วยการไปค้นหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรแล้วพอรู้ว่าสาเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรก็ไปแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์พอแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์ได้ความทุกข์ก็จะหมดสิ้นไป วิธีที่พวกเราแก้ความทุกข์กันนี้เราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุกันเราไปแก้ที่ปลายเหตุคือเวลาที่เรามีความทุกข์เราก็ไปทำอะไรกันเพื่อให้เราลืมเรื่องของความทุกข์เนี่ยไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขมากบความทุกข์ไว้ชั่วคราวแต่ความสุขที่เราเอามากบมันก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียว พอมันจางหายไปความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เราจึงต้องมาเปลี่ยนวิธีกำจัดความทุกข์กันต้องเข้าหาผู้ที่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างถาวรก็คือต้องมาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นเราถึงจะสามารถรู้วิธี กำจัดความทุกข์อย่างถาวรได้ซึ่งนานๆจะมีโอกาสได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาคอยสั่งมาสอนมาคอยบอกวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรอย่างพบนี้ชาตินี้พวกเราถือว่า โชคดีได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์พระพุทธเจ้าตอนนี้ก็อยู่ในพระธรรมคือในพระไตรปิฎกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้านี่คือคำตัดตอนที่ก่อนจะจากพวกเราไปพระองค์บอกว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราสากพระศาสดา เพราะว่าพระรมศาสดานั้นอยู่ในพระธรรมคำสอนนั่นเองผู้ใดศึกษาธรรมจนเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระบรมศาสดาเห็นพระพุทธเจ้าพบกับพระพุทธเจ้าผู้ใดพบกับพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก ดังนั้นถึงแม้ว่าพระวรากายของพระพุทธเจ้าของพวกเราได้จากพวกเราไปเป็นเวลาอันยาวนานแล้วแต่พระธรรมคําสอนตัวแทนของพระองค์ก็ยังอยู่กับพวกเราอยู่ในขณะนี้พวกเราจึงเปรียบเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าเลยถ้าเราเข้าหาพระธรรมคําสอน เหมือนกับในสมัยพุทธกาลที่พระองค์เคยตัดไว้ว่าเรื่องของการเกาะชายผ้าเหลืองนี่ถึงแม้ว่าถ้าบุคคล น, นั้นมาเกาะชายผ้าเหลืองของพระองค์แต่ไม่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์การเกาะชายผ้าเหลืองของพระองค์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ในทางตรงกันข้ามถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลาจากพระพุทธเจ้าเป็นโยตเป็นร้อยกิโลเป็นพันกิโลแต่ถ้ามีการศึกษาและมีการปฏิปฏบัติพระธรรมคําสอนอย่างต่อเนื่องบุคคลนั้นก็เป็นเหมือนบุคคลที่เกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าคือได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้านั่นเอง เพราะว่าตัวพระพุทธเจ้าไม่ใช่ร่างกายของพระพุทธเจ้าตัวของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่จะปรากฏขึ้นมาเกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติธรรมคำสอนนี้เองดังนั้นขอให้พวกเราจับประเด็นให้ถูกเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าการกำจัดความทุกข์ ทำอย่างไรการมาเกิดแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับพวกเราอย่างไรเราก็ต้องจับประเด็นให้ถูกว่าการที่เราจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากพระพุทธศาสนาก็เกิดจากการที่เรามาศึกษา มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่องด้วยการคอยกำจัดความประมาทที่จะมักจะพาให้เราไม่มาสนใจกับการศึกษากับการปฏิบัติถ้าเราไม่ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยเราก็จะลืมไปว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกัน เราก็จะถูกโมหะอาวิชชาความหลงถูกกิเลสตัณหาความอยากที่จะกำจัดความทุกข์แบบชั่วคราวกันเราก็จะกลับไปหาราบยศสรรเสริญกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันเราก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริง พอเราเข้าสู่วัยที่เราไม่สามารถกำจัดความทุกข์ได้แล้วตอนนั้นเราก็จะรู้สึกเสียใจว่าทั้งชีวิตนี้เราถูกหลอกนะถูกหลอกให้ไปแก้ปัญหาที่ที่แก่ที่ไม่ได้แก้ปัญหา <S <S 1> <S 1> <S คือเป็นการแก้แบบชั่วคราวหลอกให้ถูกวิ์น้ำในเรืออยู่เรื่อยๆ เ, เรือลวก พอน้ำเข้ามาก็วิตน้ำกันพอวิตน้ำเสร็จสักพักหนึ่งเดี๋ยวน้ำมันก็เข้ามาใหม่ก็ต้องวิตกันไปจนถึงวันที่ไม่มีแรงที่จะวิตพอตอนนั้นก็ต้องปล่อยให้เรือจมไปเท่านั้นเองชีวิตของพวกเราถ้าเราใช้เวลาไปกาจัดความทุกจากการหาลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะ เราก็จะกำจัดได้เพียงชั่วคราวกาจัดความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวแล้วพอถึงเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาราบยศสระเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาะได้เวลานั้นเราก็จะถูกความทุกข์ท่วมเราตายไปท่วมจิตท่วมใจเรานี่แหละคือ ประเด็นของการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาประเด็นที่พระพุทธเจ้าส่งย้ำตอนก่อนที่จะจากพวกเราไปคือจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงรีบตักตวงประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมแล้วก็ค่อยทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาถ้าเราทาตามคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ พระพุทธเจ้าส่งรับประกันไว้แต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะสามารถแก้ปัญหาความทุกข์ใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรและหลังจากนั้นอีกชีวิตที่เหลืออยู่อีกกี่ปีก็แล้วแต่ก็สามารถนำอาไปใช้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ ตอนนี้เรามักจะหลงทางกันแทนที่จะทำประโยชน์ให้กับตนก่อนก็มัวไปคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นก่อนนมันก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้สักทีแทนที่จะไปคอยแก้กความทุกข์ของตนกลับไปคอยแก้ความทุกข์ของคนอื่นทั้งๆที่ตนเองก็ยังไม่รู้จักวิธีแก้ความทุกข์ของตนเอง เราจะไปแก้ความทุกข์ของคนอื่นได้อย่างไรก็ต้องจมน้ำตายไปด้วยกันทั้งคู่เหมือนคนที่ว่ายน้าไม่เป็นไปช่วยคนที่จะจมน้ำก็เดี๋ยวก็ถูกคนที่จะจมน้ำมากอดลัดแล้วก็จมน้ำลงไปด้วยกันทั้งคู่แต่คนที่ว่ายน้าเป็นนี่เขาจะรู้จักวิธีช่วยคนที่จะจมน้ำเขาจะไม่เข้าไปข้างหน้าของคนที่เขาช่วยเหลือ เพราะถ้าเขาไปช่วยเข้าไปข้างหน้าก็ถูกเขากอดแล้วก็จะไม่สามารถช่วยเขาได้เขาจะไปที่ข้างหลังของคนที่เจ้จมน้ำแล้วลากคอเขาหรือลากตัวเขาเขาไม่สามารถที่จะมาลัดตัวคนที่จะมาช่วยเหลือคนที่จมน้ำได้นี่ก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ อย่าไปกังวลกับการกำจัดความทุกข์ใจของคนอื่นเลยกำจัดไม่ได้หรอกให้มากำจัดความทุกข์ใจของเราให้ได้ก่อนดีกว่าเมื่อกำจัดความทุกข์ใจของเราได้แล้วทีนี้เราจะกำจัดความทุกข์ใจของคนอื่นได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมา หลังจากที่ได้กบจัดความทุกข์ของพระ อ, องค์จนหมดสิ้นไปแล้วพระ อ, องค์ก็ไปกาจัดความทุกข์ของผู้อื่นในระยะเวลาเพียง8เดือนแรกของการช่วยเหลือผู้อื่นสั่งสอนผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน3ก็เป็นระยะเวลา7เดือนด้วยกัน เดือน8ดถึงเดือนสิบสองก็สี่เดือนเดือนสิองถึงเดือนสามก็อีกสามเดือนวันเพ็ญเดือนสมก็คือวันอะไรวันมาครบูชาวันมาครบูชามีอะไรเกิดขึ้นก็มีพระอาหารหันตสาวกหนึ่งพัหรูปที่อยู่ต่างทิศกันอยู่ทั่วสารทิศ ได้มารวมตัวมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนอนนี่คือพระอาหารหันต์ผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งช่วยส่งสอนจนให้จนกลายเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นผู้สิ้นความทุกข์เกิดจากการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้น แต่ระยะเวลาหปีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญ น, นี้ไม่มีใครได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์เลยเพราะว่าพระองค์ไม่สามารถจะช่วยเขาได้ตัวของพระองค์เองยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังต้องไปพึ่งครูบาอาจารย์รูปอื่นยังต้องไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่สามารถที่จะสอนวิธีกําจัดความทุกข์อย่างถาวรได้ พระองค์จึงต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยพระ อ, องค์เองจนในที่สุดก็ส่งคนพบความจริงสี่ประการคือพระอริยสัจสี่ที่เป็นขุมของความรู้ในเรื่องของการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจพอได้ส่งคนพบพระอริยสัจสี่ และได้ปฏิบัติกิจของพระอริยสัจ ส, สี่ได้จนสําเร็จครบร้อยเปอร์เซน์การหลุดพ้นจากความทุกข์ของพระองค์ก็ปรากฏขึ้นมาเต็มที่ความทุกข์ต่างๆที่เคยสะสมอยู่ในพระทัยของพระองค์มาเป็นเวลาอันยาวนานก็สูญสลายหายไปหมดไม่สามารถกลับเข้ามาเกาะติดอยู่ภายในพระทัยของพระองค์ได้อีกต่อไป หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเอาพระอริยสัจสี่และกิจในพระอริยสัจสี่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์พอได้ทรงสั่งสอนให้กับพวกที่พร้อมพวกที่มีความสามารถเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่ ได้สามารถทำจิตใจของเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างถาวรเพียงระยะเวลาเจดเดือนแรกของการเผยแผ่คำสอนก็มีผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างน้อยที่มีบันทึกเอาไว้ก็คือ1250รูปที่ไม่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเอง ก, ก็อาจจะมีอีกมากมายที่เราไม่รู้กัน นี่แหละคือวิธีทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นตอนต้นต้องทำประโยชน์ให้กับตัวเราก่อนระวังตัวกิเลสมันจะมาคอยหลอกเราว่ากำลังเห็นแก่ตัวกำลังเอาตัวรอดทำไมไม่ไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ทำไมไม่ไปทำนู่นทำนี่ทำประโยชน์ให้กับสังคมยังไม่ใช่เวลา เหมือนคนที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นอย่าเพิ่งไปคอยช่วยคนจมน้ำเดี๋ยวก็จะจมด้วยกันทั้งคู่คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นต้องไปหัดว่ายน้ำให้เป็นปหัดว่าย น, น้ำให้เก่งก่อนจะได้ไปเป็น guard, ไลฟ์การ์ดนะน้ำสาวยน้ำนี้เขาจะมีไลฟ์การ์ดมีผู้ที่คอยดูคนที่จะจมน้ำพอเห็นใครจะจมน้ำเขาก็จะรีบไปช่วยกันได้ เพราะเขาว่ายน้ำเป็นกันแต่ถ้ายัางว่ายน้ำไม่เป็นไปทาหน้าที่ไล่กาดเดี๋ยวก็ตายไปด้วยกันจมน้ำตายไปด้วยกันทั้งคู่นผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจึงไม่ควรที่จะไปคอยกังวลกับการช่วยเหลือผู้อื่นให้มากังวลกับการช่วยเหลือตนเองก่อนเถิด เมื่อได้ช่วยเหลือตนเองแล้วสำเร็จแล้วทีนี้จะสามารถไปช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นจำนวนมากมายเลยแต่ถ้ายังช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้วจะไปช่วยเหลือผู้อื่นก็จะช่วยเหลือใครไปได้เลยจะไม่มีใครจะได้รับการหลุดพ้นจากการช่วยเหลือของผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือทำไมพระุทธเจ้าถึงทรงเตือนว่าอย่าประมาทเพราะท่านรู้ว่าพวกเราถูกความหลงคอยหลอกให้เราไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก่อนไปทำประโยชน์ให้กับตนแบบที่ไม่เป็นประโยชน์ก่อนคือไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงเกิดลดมาได้มาแล้วก็อาจจะเอาไปแบ่งให้กับคนอื่น แต่การแบ่งลาบยศสรรเสริญสุขให้กับคนอื่นมันก็ไม่ได้ทำให้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวนมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามาปฏิบัติกิจในอริยาาสัจสี่กันนี่แหละคือการปฏิบัติของศาสนาพุทธสรุปลงในกิจพระอริยาาสัจสี่นั้นพระอริยาาสัจสี่นี้มีสี่ประการด้วยกัน ความจริงที่เป็นอมตะความจริงที่ทําให้ผู้รู้ผู้เห็นความจริงนี้เป็นผู้ประเสริฐท่านถึงเรียกว่าอาริยะอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ข้อด้วยกันผู้ใดเห็นเลือกรู้จักพระอริยสัจสี่และสามารถบําเพ็ญหรือปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสี่ ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างถาวรพระอริยสัจสีก็เปรียบเหมือนกับแผนที่ดีๆนี่แผนที่หรือลายแทงที่ชี้ทางไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีแผนที่ต้องมีพระอริยสัจสี ถึงจะสามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางคือการสิ้นสุดของความทุกข์ได้ <Yeah. S 1> และไม่มีใครที่จะพบแผนที่อันนี้หรือรูปแผนที่อันนี้ได้ด้วยตนเองยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวผู้ที่ไม่สามารถที่จะค้นพบอริยสัจสีได้ตัวเอง <Yeah. S 1> ก็ต้องรอคิวไปอย่างพวกเรานี้ต้องรอคิว รอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู่เมื่อทรงตัดสรุแล้วก็ต้องรอให้ท่านตัดสินใจเอามาเผยแผ่สั่งสอนถ้าท่านตัดสินใจไม่เผยแผ่สั่งสอนเราก็จะไม่มีวันรู้กันเราก็จะไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เพราะท่านจะไม่ประกาศคาสอนท่านก็จะเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าที่ได้ คนพบพระอริยสัจสี่ได้ปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่ได้สําเร็จได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแต่ทรงไม่มีความายินดีหรือความอยากที่จะเผยแผ่สั่งสอนอาจจะเป็นเพราะว่าไปตัดสั้ในยุคที่ไม่มีคนสามารถที่จะรับความรู้อันนี้ไปปฏิบัติได้ เช่นถ้าไปสอนคนที่ชอบทําบาปให้เลิกทำบาปนี่ก็คงจะยากไปสอนคนที่ชอบเสพอบายามุขไม่ให้เสพอบายามุขไปสอนคนที่ไม่ชอบทําบุญให้ทําบุญไปสอนคนที่ไม่ชอบปฏิบัติไม่ชอบเข้าสมาธิก็จะเป็นการสอนที่ยากเนี่นี่อาจจะเป็นเหตุว่าทําไมจึงมีพระประเจ ก, กับพุทธเจ้า เพราะว่าไปเกิดไปตัดสินในยุคที่มีแต่คนที่ไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการรักษาศีลเรื่องของการปฏิบัติธรรมกันสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านก็เลยไม่สอนดีกว่าสอนแล้วก็ไม่มีใครจะทำตามไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาสอนไปก็เสียเวลา สู้อยู่เฉยๆดีกว่าสบายกว่าไม่เหน็ดไม่เหนือ่อยเพราะการสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรสำหรับตัวพระพุทธเจ้าเองเพราะใจของพระพุทธเจ้านี้มีประโยชน์เต็มร้อยอยู่แล้วเหมือนน้ำที่เต็มแก้วอยู่แล้วจะเทน้ำเข้าไปในแก้วนั้นอีกสักเท่าไหร่มันก็น้อนออกมาหมดมันก็จะได้น้าเท่าเดิมอยู่ดีคือน้าที่เต็มแก้ว ใจของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี้เต็มเปี่ยมด้วยบารมีสุขบารมังสุขขังไม่ว่าจะสั่งจะสอนหรือไม่สั่งสอนบรมีสุขก็มีอยู่เท่าเดิมสั่งสอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าวันละสี่ห้ารอบมันก็ได้แค่บรมีสุขไม่สั่งสอนมันก็ได้บรมีสุขพระองค์ก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการสั่งสอน แต่ที่สั่งสอนเพระสงเห็นผู้ที่จะรับคําสอนนี้ไปปฏิบัติจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลเพราะผู้ที่มารับคําสอนนี้ก็เป็นเหมือนพวกที่มีน้ํามีแก้วแต่ไม่มีน้ําอยู่ในแก้วนั่นเองไม่มีความสุขเลยนี่พวกเรามีความสุขแท้จริงกันบ้างหรือไม่มีความสุขแบบความสุขปลอมกันนั่นนั้น สเุเดียวเดียวสามวันดีสี่วันไข้สามวันสุขสี่วันทุกเนี่ยพวกเราสุขแบบนั้นกันก็เปรียบเหมือนกับน้ำที่มันแห้งอยู่เรื่อยๆไม่มีแก้วที่ไม่มีน้ำมีก็เดียวเดียวก็แก้วเป็นแก้วที่มีรอยร้าวรอยรั่วเทน้ำเข้าไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หายไปหมดเนี่ ย, ยพวกเราพวกนี้แหละจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ไม่ใช่พระพุทธเจ้า การเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกนี้ท่านไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่ผู้ที่จะได้รับประโยชน์คือพวกที่ไม่มีความสุขพวกที่มีแต่ความทุกข์อยู่ในใจนี้เท่านั้นเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ไม่มีใครจะเสียสละได้เท่ากับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวก แต่คนไม่ฉลาดกลับไปมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดเอาตัวรอดคนเดียวไม่คิดถึงคนอื่นทิ้งคนอื่นให้ตกอยู่ในกองทุกข์ตอนที่ไปปฏิบัตินี้ต้องทิ้งทุกอย่างถึงจะปฏิบัติได้ถึงจะสําเร็จได้แต่เมื่อปฏิบัติจนสําเร็จแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้หนีไปไหนก็กลับมาช่วยเหลือพวกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่อยู่ที่ว่าพวกที่ติดอยู่ในกองทุกข์อยากจะให้ช่วยพ้นทุกข์หรือไม่ถ้าไม่อยากจะช่วยท่านก็ไม่บังคับท่านก็ไม่ม า, ามาบีบคั้นมาสั่งว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้ารู้ว่าเขาไม่สนใจก็ก็เถอว่าหมดภาระไปสาหรับบุคคลนั้น ก็ไปหาคนที่สนใจใครสนใจก็จะสอนแล้วถ้าเขามีความฉลาดมีความสามารถเขาก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของเขาได้ทำให้เขาหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นพวกเราชาวพุทธนี้ในเบื้องต้นนี้อย่าไปกังวลกับคำคาลหานินทาของผู้อื่น ถ้าใครจะมาว่าเราเห็นแก่ตัวก็ถูกต้องถ้าไม่เห็นแก่ตัวเราจะไปเห็นแก่ใครตัวเรากำลังเดือดร้อนแล้วเราไม่มาช่วยเหลือตัวเราเองมัวแต่ไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วเมื่อไหร่ตัวเราจะได้หลุดพ้นจากความเดือดร้อนต่างๆเราก็ต้องมาแกา้มาช่วยเหลือตัวเราเองก่อนเราก็ต้องเห็นแก่ตัวก่อนแต่การเห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่ไปทาให้ผู้อื่นเสียหายห้เดือดร้อนไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ไป ทำให้ผู้อื่นเขาเจ็บเจ็บร่างกายหรือเจ็บใจแต่อย่างใดเป็นการกระทาที่ถูกต้องตามหลักธรรมเป็นการดูตนเองดูแลตนเองก่อนที่เรียกว่าอัตติอัตโนนาโถก่อนตนต้องเป็นที่พึ่งของตนให้ได้ก่อน เมื่อเป็นที่พึ่งของตนได้แล้วจึงสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปได้ถ้าตนเองยังเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้จะให้คนอื่นมาเป็นที่พึ่งม า, มาพึ่งได้อย่างไรอันนี้แหละจึงเป็นหลักของความจริงความที่ถูกต้องเราต้องเป็นที่พึ่งของเราก่อนเราต้องแก้ปัญหาของเราให้หมดสิ้นไปก่อนก่อนที่เราจะไปแก้ปัญหาของคนอื่นดังนั้นถ้าเราอยากจะ ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีคนมาคอยทักคอยห้ามว่าเป็นการเห็นแก่ตัวก็แสดงว่าเขาไม่เข้าใจความจริงเขาไม่รู้ความจริงของชีวิตว่าชีวิตของแต่ละชีวิตนี้ของแต่ละคนนี้ต้องพึ่งตนเองก่อนต้องแก้ปัญหาของตนเองให้หมดสิ้นไปก่อนถึงจะสามารถไปแก้ปัญหาของผู้อื่นได้ะ นั้นไม่ต้องไปกังวลใครจะว่าเป็นการเห็นแก่ตัวก็ปล่อยเขาว่าไปเพราะว่าการไปเชื่อเขานี้มันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาของเราได้เราก็จะมาแก้ปัญหากันแบบชั่วครั้งชั่วคราวไปจนถึงเวลาจะตายถึงจะมารู้ในภายหลังว่าเป็นการเดินผิดทางแต่ตอนนั้นก็จะสายไป ตอนนี้ยังไม่สายรีบเอายบรี บ, รบยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยเตือนใจมาคอยสอนใจให้เราได้มาทำประโยชน์ของตนก่อนดูไปดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าดูพระอาหลานตสาวคท่านเหล่านี้ท่านเอาประโยชน์ของตนก่อนทั้งนั้นท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ก่อน แล้ท่านถึงมาสอนให้คนอื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราได้ศึกษาประวัติของแต่ละองค์เนี่ยท่านต้องเอาตัวรอดก่อนท่านต้องเห็นแก่ตัวก่อนแต่เป็นการเห็นแก่ตัวเฉพาะกิจไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวไปตลอดเป็นการเห็นแก่ตัวเฉพาะกิจไปรักษาตนเองก่อนอย่างเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหม เราต้องไปรักษา네ตัวเราทําไมเวลาเราเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวนี่ไม่มีใครว่าเป็นการเห็นแก่ตัวมันก็เป็นการเห็นกับตัวไม่เห็นกัตัวจะไปรักษาพยาบาลทําไมที่ไปรักษาพยาบาลเพราะว่าเห็นแก่ตัวต้องรักษาพยาบาลน่างกายก่อนพอร่างกายหายแล้วทีนี้ก็ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปได้ทั้งจิตใจก็เหมือนกันทั้งจิตใจก็ต้องรักษาพยาบาล จิตใจให้หายจากความทุกข์ต่างๆก่อนหายจากความไม่สบายของจิตใจก่อนพอจิตใจกลับมาเป็นปกติไม่มีความทุกข์อยู่แล้วทีนี้ก็จะมีกำลังวังชาที่จะช่วยเหลือคนจิตใจของผู้อื่นให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายดังนั้นขอให้เรายึดพระรัตนาตรัยคือพระพุทธเจ้า พระอริยสงสาวกเป็นแบบเป็นฉบับเป็นตัวอย่างใครจะพูดอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะพวกที่พูดต่างจากที่พระพุทธเจ้าพูดเป็นพวกตาบอดทั้งนั้นพวกที่ไม่รู้ความจริงเรารู้จักคนตาดีเราเชื่อคนตาดีเราอย่าไปเชื่อคนตาบอดคนตาบอดนี้จะพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขา เขาไม่เพิ่นได้พูดไปตามความเป็นจริงยังไม่เชื่อลองหลับตาดูสิแล้วลองนึกคิดดูว่าในที่นี้มีอะไรบ้างแล้วพูดออกมารับรองได้ว่าจะไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่คนที่มีตาคนที่ลืมตานี่พูดตามความเป็นจริงได้ทุกอย่างว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้คนนั้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนี้พูดได้อย่างเต็มปาก เพราะเป็นความจริงพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี้ท่านเป็นคนตาดีท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างท่านเห็นนาฬยาศาสัสีท่านเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากที่เป็นเหมือนแผนที่ที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ของจิตใจนำไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เราต้องมากางแผนที่ดูทางกันเมื่อดูแผนที่แล้วเราก็ต้องออกเดินทางขั้นต้นก็ศึกษาพระอริยรรสัจสี่ก่อนว่ามีอะไรบ้างเมื่อศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่ให้สำเร็จให้สมบูรณ์เมื่อปฏิบัติได้ ส, ดสมบูรณ์แล้วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกัน คือการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวงสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดและการเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเกิดจากการที่เร า, เามาศึกษาพระธรรมคำสอนมาศึกษาพระอริยาาสัจสีมาคอยเตือนใจมาคอย เตือนใจให้ไม่ให้หลงไม่ให้ดื่มว่าชีวิตเหล่านี้มีเวลาอันจำกัดเราไม่ควรที่จะเอาเวลามีค่านี้ไปใช้กับสิ่งที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ต่างๆควรที่จะเอาเวลาที่มีคุณค่านี้มาใช้กับสิ่งที่มีคุณค่าคือการศึกษาการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการทาประโยชน์ให้กับตนก่อน ทำประโยชน์ให้กับตนด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนศึกษาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุผลได้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นขั้นๆไปการหลุดพ้นจากความทุกข์ในพระพุทธศาสนานี้แบ่งเป็นสี่ขั้นด้วยกันขั้นที่เรียกว่าขั้นของพระอริยบุคคลสี่ระดับระดับโสดาบันระดับสกิทาคามี ระดับอนาคามีระดับอรหรันต์เกิดจากการศึกษาวิธีกาจัดความทุกข์ต่างๆพอได้ศึกษาแล้วก็ใจรู้จักวิธีแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็จะสามารถกามจัดความทุกข์ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ได้ตามลำดับจนในที่สุดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจก็จะหมดสิ้นไปมาหมดสิ้นไปแล้วเทนี้ก็ไม่มีอะไรจะให้ทําอีกแล้วว่างงานตกงานงานที่ได้มาศึกษาได้ปฏิบัติได้สําเร็จรู้เรื่องไปแล้วภารกิจที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้ปฏิบัติกันคือการทําประโยชน์ให้กับตนได้ทําได้สําเร็จแล้ว เมื่อทำได้สำเร็จแล้วทีนี้มีเวลาว่างก็ดูพิจารณาดูเหตุการณ์ดูสถานการณ์ดูผู้ที่จะมารับความช่วยเหลือว่ามีไหมมีมีความสามารถที่จะมารับความช่วยเหลือหรือไม่ถ้าไม่มีก็อย่าไปช่วยเหลือให้เสียเวลาเพราะเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือนั่นเองพิจารณาดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าเขามีศักยภาพที่จะสามารถ รับการช่วยเหลือจากเราได้หรือเปล่าพระ อ, องค์จึงต้องนั่งใขว่คว้พิจารณาอยู่จนในที่สุดก็ทรงเห็นผู้ที่จะมารับความช่วยเหลือนี้เป็นสี่ระดับด้วยกันทรงเปรียบเทียบเหมือนพวกบัวสี่เหล่าผู้ที่มีความพร้อมสูงก็เป็นเหมือนบัวเหนือน้ําเพียงแต่รอให้แสงสว่างของของพระอาทิตย์สาดกระจายเข้ามา บัวก็จะบานออกทันทีนี่เป็นพวกกลุ่มที่หนึ่งพวกกลุ่มที่สองพวกที่มีศักยภาพได้ลงมาแต่ก็ยังพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ขั้นสูงได้ก็พวกบัวปลิ่มน้ำพวกที่จะต้องรอเวลาสักวันสองวันถึงจะโผล่เหนือน้ำขึ้นมากลายเป็นบัวเหนือน้ำได้แล้วก็จะบานเบกบานออกมาเมื่อได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์ พวกที่สามก็เป็นพวกที่บัวอยู่กลางน้ำคือยังต้องใช้เวลามากกว่าพวกที่หนึ่งที่สองถึงจะโผล่ขึ้นมาอยู่เหนือน้ำได้ถึงจะแบ่งบานออกมาได้เป็นพวกบัวกลุ่มที่สามส่วนพวกกลุ่มที่สี่นี้เป็นพวกที่ยังอยู่ตะอยู่ในโคลนในตมอยู่ซึ่งโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมานี้มีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปนี่ก็เป็นพวกบุคคลกลุ่มที่สี่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงจับแนกแยกแยะไว้กลุ่มที่หนึ่งก็เป็นเหมือนพวกนักบวชที่พร้อมด้วยศีลด้วยสมาธิแต่ขาดปัญญาที่จะเป็นองค์ประกอบในการที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ผู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นี้ต้องมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิและมีปัญญาแต่พวกนี้เขามีเพียงแต่ศีลมีแต่สมาธิเพราะปัญญานี้เขาไม่รู้ไม่มีใครรู้จะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้ถึงจะมีปัญญาที่จะมาใช้ในการดับทุกข์ได้ก็คือพระอริยาาสัจสีความรู้ในพระอริยสัจสีนี่แหละคือปัญญา ที่ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพอพระพุทธเจ้าทรงรู้พระอริยสัจสแล้วนำเอามาสั่งสอนให้กับพวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วพอเขาได้ยินได้ฟังเขาก็บรรลุได้ทันทีเลยเนีเพราะพวกนี้เป็นเหมือนพวกบัวเหนือน้า ลอให้พระาทิตแสงพระอาทิตศาสตร์กระจายออกมาท่านั้นบัวก็จะบานขึ้นมาทันทีพวกนี้มีศีลมีสมาธิครบถ้วนมนีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมีจิตตั้งมัน่นอยู่ในฌานในระดับต่างๆแต่เขาสิ่งที่เขาไม่มีคือแสงสว่างแห่งธรรมพอพระพุทธเจ้าประกาศพระอริยสัจสี่ประกาศมรรคแปดศีลซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างแห่งธรรมให้กับ ผู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจิตใจของเขาก็บาลออกมาทันทีในการแสดงธรรมครั้งแรกก็มีหนึ่งในผู้ฟังอยู่ห้าคนด้วยกันที่เรียกว่าพระปัญจวคัคคีหนึ่งในหท่านนั้นคือพระัญญาณกนทัญญาพอได้ฟังธรรมเสร็จจิตใจของท่านก็มีดวงตาเห็นธรมมนรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริย บ, บุคคลขั้นที่หนึ่ง กำจัดความทุกข์ในระดับแรกได้อันนี้ก็เพราะว่าจิตใจของท่านมีศักยภาพมีศีลที่บริสุทธิ์มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในฌานในระดับต่างๆไม่เหมือนกับพวกเราที่นั่งฟังกันมาไม่รู้กี่ปีนั่งฟังไปก็นั่งเหมือนลิงฟังจิตก็คิดนูน่นคิดนี่วิ่งไปวิ่งมา นมือไม้ก็สนไปจับนู่นจับนี่ก็แบบว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นในสมาธิฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่สามารถนำเอามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดการลุดพ้นจากความทุกข์ได้พวกเรานี้ยังไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมในขณะที่ฟังทำได้ ต้องอาศัยการไปสร้างศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมาก่อนสร้างสมาธิขึ้นมาให้บริสุทธิ์ให้ให้ให้ตั้งมั่นอยู่ในฌานให้ได้ก่อนแล้วถ้ามาฟังทำต่อไปนับรองได้ว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลได้นะครับนี่คือบุคคลต่างๆพวกที่สองก็เป็นพวก ที่มีศีลก็คือพวกนักบวชแต่ยังไม่ได้ฌานยังไม่ได้สมาธิกําลังฝึกหัดนั่งสมาธิกันอยู่เป็นพระบวชใหม่เป็นต้นที่มีความศรัทธาในทางแห่งการหลุดพ้นก็เลยมาบวชมารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็มาหัดนั่งสมาธิจเจริญสติถ้าพยายามทําไปเรื่อยๆต่อไปจิตก็จะสงบเข้าฌานเข้าสมาธิได้ ก็จะเลื่อนระดับจากขั้นที่สองไปครืสู่ขั้นที่หนึ่งได้ส่วนพวกที่อยู่ขั้นที่สามก็คือพวกที่ยังไม่ได้บวชแต่มีความศรัท ธ, ธามีความเลื่อมใสในเรื่องบุญเรื่องบาปในเรื่องการฝึกจิตในเรื่องของการทำจิตใจให้สงบพวกนี้ก็เป็นพวกศรัท ธ, ธาญาติโยมที่มีความเาชื่อมีความศรัท ธ, ธา มีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติแต่เนื่องจากสถานภาพไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นก็ต้องทำไปแบบมือสมัครเล่นไปก่อนรักษาศีลแบบมือสมัครเล่นไปก่อนฝึกสมาธิแบบมือสมัครเล่นไปก่อนเพราะเวลาที่จะมาปฏิบัติมีน้อยเพราะต้องไปมีภารกิจ เกี่ยวข้องกับผู้อื่นมีครอบครัวมีงานมีการอะไรต้องทำอยู่ก็เราทำได้แบบไม่เต็มร้อยทำแบบมือสมัครเล่นเช่นวันหยุดวันว่างเช่นวันพระที่ก็อาจจะไปวัดกันสักครั้งหนึ่งไปถือศีลแปดไปฟังเทศฟังธรรมไปนั่งสมาธิกันแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆต่อไปก็จะพัฒนาขึ้นไปจะเพิ่มพอได้ผลแล้วก็อยากจะปฏิบัติมากขึ้น ก็จะเพิ่มวันที่จะไปอยู่วัดมากขึ้นจากหนึ่งวันเป็นสองวันจากสองวันเป็นสามวันแล้วแต่มีโอกาสมีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะเริ่มหาเวลาเริ่มตัดเอาเวลาจากการไปทำกิจกรรมอย่างอื่นมาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติธรรมต่อไปเดี๋ยวก็พัฒนาขึ้นไปสู่บวระดับที่สองได้คือออกบวชได้ พอออกบวชได้แล้วถ้ามีความเพียรศึกษาปฏิบัติฝึกสมาธิรักษาสีให้บอยสุดเดี๋ยวก็ขึ้นสู่ระดับที่สามได้ขึ้นสู่ระดับเหนือนา้าบัวเหนือนา้าแล้วในที่สุดก็สามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระสกิฎาคามีพระอนาคามีและพาาาระอรหันต์ตามลาดับต่อไปได้ส่วนพวกบัวกลุ่มที่สี่ คือพวกที่ไม่สนใจในเรื่องบุญเรื่องบาปไม่สนใจในคำสั่งคำสอนของบุคคลที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ากับคิดว่าเป็นพวกงมงายพวกงอกเขาเบาปัญญาพวกนี้เขาจะฉลาดว่ามีชีวิตนี้สั้นมีอายุไม่นานรีพหาความสุขเถิดเพราะตายไปแล้วก็จะหาไม่ได้เขาก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรส หาอบายามุขต่างๆมาเสพจะไม่สนใจกับการเรื่องทำบุญทำทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการฝึกสมาธิเรื่องการเจริญปัญญาพวกนี้ไปสอนเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพวกนี้เป็นพวกที่พรธเจ้าต้องชักสะพานคือไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือเขาได้นี่แหละคือเรื่องของพวกเรา ขอให้เรามาพิจารณากันว่าเราเป็นพวกไหนกันพวกบัวเหล่าที่หนึ่งที่สองที่สามหรือที่สี่ถ้าเราถ้าอย่างน้อยถ้าเรารู้ก็ยังดีเพราะว่าเราจะได้แก้ปัญหาได้ถ้าสมมติว่าเรารู้ยังเป็นพวกบัวเหล่าที่สี่อยู่เราก็จะลีบมาแก้หมามาหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการศึกษาพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเราอยู่กลุ่มที่สองเราก็ต้องพัฒนาให้เป็นกลุ่มที่สาขึ้นถ้าเป็นกลุ่มที่สามก็พัฒนาให้ขึ้นไปเป็นกลุ่มที่สองถ้าเป็นกลุ่มที่สองก็พัฒนาให้มันได้เป็นกลุ่มที่หนึ่งพอได้กลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมกันอย่างแน่นอนถ้าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทดังนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามเตือนใจเราอยู่ตลอดเวลาก็คือความตายนี่เองความแก่ความเจ็บความตาย ทางที่ส่งสอนว่าให้เราะระลึกอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ถ้าเราะระลึกอยู่ทุกเช้าทุกเย็นทุกวันทุกเวลามันจะทาให้เรารู้ว่าเรา ต้องทำงานทำหน้าที่อันไหนก่อนอันไหนหลังแล้วลองรู้ว่าอันไหนเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องที่จะทำให้เกิดผลที่ถูกต้องเราก็จะเปลี่ยนวิธีแก้ความทุกข์กบจัดความทุกข์จากการใช้ราบยศเสริญใช้รูปเสียงกิจลดมาแก้มากำจัดความทุกข์เราก็จะรู้ว่ามันเป็นวิธีชั่วคราวแก้ไปจนวันตายก็ไม่มีวันหมด เราก็จะรู้ว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีแก่เราก็ต้องมาแก้าตามวิธีที่พระพุทธเจ้าส่งสอนคือให้ศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปจากจิตจากใจเนี่ยนี่แหละคือทําไมการจากของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคําสอนที่มีน้ําหนักมีพลังเพราะเป็นคําสอนที่รู้ถึง ถึงปัญหาของพวกเราคือพวกเรายังตั้งอยู่ในความประมาทกันพวกเราวันหนึ่งเร ล, ลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายกันละวันละกี่ครั้งอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูเหมือนกับพระอานนุ์หรือเปล่าเช้ากลางวันเย็นหรือยิ่งยากกว่าพระอานนซะอีกอาจจะไม่เคยพิจารณาเลยนานอาจจะมาพิจาราก็ตอนที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมนี่ พอไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ฟังเทศสังธรมความแก่ความเจ็บความตายไม่รู้หายไปไหนหมดอันนี้แสดงว่าพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทกันถ้าอยู่ในความประมาทแล้วโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ย่อมไม่มีเลยฉะนั้นจงอย่าตั้งอยู่จงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทมันลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไปกระทําในกิจที่พึงกระทํากัน และจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติกิจเหล่านั้นคือการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรการได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมห um ังกิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตตสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตาราโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนาสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตารธรมวาวัทานติอายุวันโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถาม ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกประชุมแล้วก็จะงดถามตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่สาธุเจ้าค่ะวันนี้ยอดทางเฟซบุ๊กนะคะสองรอยยสิบแปดท่านค่ะ ย o u t u สองร5อยสิบห้าท่านวิทยุสิบเก้าท่านผู้รับฟังบนเขาสองร้อยหกสิบหกท่านรวมเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบแปดท่านเจ้าค่ะสาธุวันนี้คนขึ้นมาเยอะปกติแค่ร้อยสร็จเเศษนี่ต้องสองเท่าสองร้อยหกสิบธรรมดาคนจะมากก็ต้องมีงานที่วัดบุญญาวาน <laughs> แล้วเสร็จแล้วเขาก็เขาก็เลยมาทางนี้ต่อแต่วันนี้ไม่มีใช่ไหมมีงานว่ะไม่มีอ่ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยเจ้าค่ะมีคำถามจากคุณธนากรธนากรขอโอกาสครับการนั่งภาวนาสมาธิแล้วรู้สึกหนักๆภายในขณะบริกรรม และก็มีอาการเหมือนหายใจขัดขัดไม่โลง่งและตึงตึงสีสะถ้าเราบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆอาการเหล่านี้จะหายขาดไปได้หรือเปล่าครับและมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับกราบสายโถก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาจะภาวนาจิตมันจะมีกิเลสมาคอยขัดขวางมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดหนักแน่นขึ้นมาในตัว ก็ถ้าเราบริกรรมได้ก็บริกรรมไปไม่ต้องสนใจถ้าบริกรรมไม่ไหวก็ลองเปลี่ยนมาเป็นการสวดมนต์ไปก่อนส่วนในใจเหมือนกับบริกรรมนี่นะเพียงแต่ว่าแทนที่จะใช้คำพุโทโธคำเดียวเราก็ใช้บทสวดเอติปิสูภะกวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธไปสวดไปสักพักมันก็จะทำให้ความอึดอัดมันเบาบางลงได้นะ แต่ถ้าเราบริกรรมได้ทนกับความอึดอัดได้ก็บริกรรมไปเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองแต่ต้องไม่หยุดบริกรรมอย่าไปสนใจกับความอึดอัดอย่าไปอยากให้ความอึดอัดหายไปยิ่งอยากมันจะยิ่งอึดอัดขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นไปฉะนนต้องไม่ไปสนใจทนอยู่กับมันไปพุทโธไปบริกรรมไปถ้าบริกรรมไม่ไหวอยากจะเปลี่ยนเป็นสวนมนก็สวดมนไป เดี๋ยวอาการต่างๆก็จะหายไปคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมมสการเจ้าค่ะ <c oughs> ขอโอกาสถามเจ้าค่ะถ้าเราเจอญาติพี่น้องที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่เขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากเราจะหลบและไม่ส่งสิงด้วยจะได้ไหมเจ้าคะและผิดอะไรไหมเจ้าคะ ก็ถ้าไม่สงสิงกับใครก็อาจจะขาดความเมตตาแต่ถ้าไม่สงสาสงสิงเพื่อการปลอดภัยก็ ก, ก็ก็ทำได้แทนถ้าไปสงสิงกับเขาแล้วทำให้เกิดภัยกับเราเราก็ไม่ควรที่จะไปสงสิงกับเขาแต่เราก็ควรที่จะสงสิงกับคนที่ดีคบคนดีเป็นเพื่อน เพราะคนเราอยู่ในโลกนี้คนเดียวไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องมีความเมตตาต่อกันอย่าคิดแต่ประโยชน์ของเราเพียงอย่างเดียวการจะมีเพื่อนมีคนที่จะช่วยเหลือกันเราก็ต้องช่วยเหลือเขาก่อนถ้าเราช่วยเหลือเขาต่อไปเขาก็อยากจะช่วยเหลือเราเองเห็ุนั้นถ้าเราไม่สงสิงใครเพราะเรา เสียดายทรัพสมบัติเก้าของเงินทองแบบนี้ก็ไม่ดีเพราะเป็นความตนีถ้าเรามีเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งให้คนอื่นเขาบ้างถ้าเขาไม่มีแต่ก็ให้ด้วยเหตุด้วยผลให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษกับผู้รับคือให้เขาไปช่วยตัวเขาเองได้ไม่ใช่ไปให้เขาเพื่อมาเกาะเรามาพึ่งเราไปตลอด คนเรามันก็ต้องช่วยกันเพราะบางครั้งบางคราวชีวิตของคนเราก็มีขึ้นมีลงเวลาตกต่ำมันก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยเราก็ช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาเราก็ฟื้นแล้วก็ให้เขาช่วยตัวเองต่อไปแล้วจะมีบุญมีคุณกันจะมีความรักความคิดถึงกันมันดีขึ้นดีเขาได้ดีได้ดีกว่าเราเขาก็า จ, จะมาช่วยหลือเราก็ได้ อันนี้เป็นเรื่องของสังคมที่เราอยู่ร่วมกันเราต้องมีพรหมวิหารสีต้องมีความเมตตากรุณาต่อกันอย่าหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากจนเกินไปหวงไว้บางส่วนเพื่อดูแลตัวเราได้แต่ส่วนที่มันมีมากกว่านั้นก็ไม่ควรที่จะหวงควรที่จะเอาไปช่วยเหลือกันเป็นการสร้างมิตรภาพ เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเราจะมีคนนักชอบเราผู้ที่มีความเมตตาพระพุทธเจ้าบอกว่าหลับก็มีความสุขเตื่นก็มีความสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะเป็นผู้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองรักษามีเผลผ่านหน้าตาแจ่มใสถ้านั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่าย จะไม่ตายด้วยอาวุธด้วยยาพิษถ้าตายก็จะไปสู่สุคติอันนี้คือประโยชน์ของการมีความเมตตากรุณาต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันอย่าหวงทรัพย์สมบัติเข้าของมากจนเกินไปหวงไว้ในส่วนที่เราต้องรักษาเพื่อตัวเราส่วนที่เกินก็ควรที่จะเอามาแบ่งปันกันจะดีกว่าเพราะจะเป็นบุญที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้ ทำให้เราได้ไปเกิดในสุขคติกันแทนที่จะไปเกิดในทุกขติกันคำถามต่อไปจากคุณอนิจจังอนัตตากราบนรรสการเจ้าค่ะลูกมีความตั้งใจที่จะทำกิจของตนให้หลุดพ้นในชาตินี้เพราะเห็นว่าการที่เกิดมาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยากยิ่ง แต่มีคนทักว่าอย่าพึ่งไปให้ดูแลแม่ไปก่อนลูกควรทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ต้องดูว่ามีใครดูแลแม่แทนเราได้หรือเปล่าถ้ามีคนอื่นดูแลแทนได้ก็ให้เขาดูแลไปอย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่ามีคนดูแลลูกเมียของท่านได้ดูแลพ่อของท่านได้ท่านก็เลยไปแต่ถ้าเขาไม่มีใครดูแลเขาต้องพึ่งเราเราก็ต้องรอไปก่อน รอให้เขาผ่านไปก่อนหรือราให้มีคนอื่นมาช่วยดูแลแทนเราได้ก่อนแล้วราค่อยไปคำถามต่อไปจากคุณแจ็คส 101. ันหนึ่งศูนหนึ่งานอาจารย์ครับสังเกตว่าพอสมาธิถอยออกมาสังขารมันจะปรุงแต่งไปต่างๆนานาทัานทีเลยยิบยิบยับยั บ, ยบสแสดงว่า สังขารจะเกิดเกิดดับดับแบบนี้ตลอดไปจนถึงที่สุดของการเกิดใช่ไหมครับก็เราห้ามมันได้เป็นพักๆใช้สติพุธโธพุธโธหยุดมันได้จนร่างสามารถหยุดมันได้เกือบตลอดเวลาที่เราต้องการเวลาที่เราไม่ต้องการหยุดมันก็ปล่อยมันคิดได้แล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสอนให้มันคิดไปในทางที่เป็นสุข ไม่มีความทุกข์อ <c oughs> มันจะคิดไปทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะมันจะคิดแต่เรื่องที่ทําให้จิตมีความสุขส่วนเรื่องที่จะคิดไปในเรื่องที่จะทําให้เป็นความทุกข์ใช้สติปัญญาคอยหยุดคอยกําจัดมันต่อไปสังขารก็จะเป็นสังขารที่ดีอย่างเดียวสังขารที่ไม่ดีก็จะถูกกําจัดไปหมดสังขารที่ไม่ดีก็คือกิเลสตัณหานี่สังขารที่ดีก็คือธรรมะ คำถามต่อไปจากคุณเจ้าป่าเจ้าป่ากราบเรียนถามพระอาจารย์ครับตอนนี้ผมรักษาศีลห้าอยู่แต่ที่บ้านมียุงเยอะมากครับว่าจะฉีดยากำจัดยุงแต่จะกลัวผิดศีลและกลัวบาปกระผมควรทำอย่างไรดีครับพระอาจารย์ก็ใช้ยากำจัด ติดยากันยุงหรือที่ไหนพอจะใส่มุ้งลวดได้ก็ใส่มุ้งลวดก็อย่าออกไปในที่มันมียุงสิก็ไปอยู่ที่มันไม่มียุงอยู่ในมุ้งอยู่ในบ้านอยู่ที่มีมุ้งลวดถ้าจำเป็นออกจะต้องออกข้างนอกบ้านก็ถือพัดหรือถือผ้าอะไรคอยปัดคอยไล่มันไปไม่จำเป็นจะ ต, ต้องฆ่ามันคำถามต่อไปจากคุณธ น, านัญชัยภูพิพั กราบในมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับมีคำถามอยู่สองข้อนะคะข้อที่หนึ่งการรับประทานอาหารเจเป็นบุญหรือไม่ครับไม่เป็นหรอกเพราะถ้าเป็นพวกวัวควายกไ็ได้บุญเยอะครับพวกเรานะวัวควายมันกินผักกินหญ้ากินเจตลอดชีวิต คำถามข้อที่สองกลับคืนการรับประทานเนื้อสัตว์เป็นบาปหรือไม่ครับสาธุครับถ้าเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานไม่ได้เกิดจากการฆ่าของเราเองหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่าก็ไม่บาปเช่นแต่เราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วในตลาดนี่มันตายอยู่แล้วจะซื้อไม่ซื้อมันก็ตายไม่เกี่ยวกับเราซื้อมากินก็ไม่บาป อย่าไปสั่งแม่ค้าว่าพรุ่งนี้เอาเป็ดสามตัวเอาไก่สองตัวอันนี้ไปสั่งเขาให้มาค้าให้เราสั่งไม่ได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะมีเพื่อนฝากถามถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วแสวงหาคนมายอยู่ด้วย แต่เมื่อไรก็หาไม่เจอที่เจอก็ไม่ใช่เราต้องปรุงอย่างไงเจ้าคะ่ะก็ปองว่าเราโชคดีสิเพราะไม่ว่าเราจะได้อะไรมาเดี๋ยวเราก็จะต้องทุกข์กับมันถ้าไม่ได้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์พอได้แฟนแนละ้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับแฟนมอหวงแฟนนะแฟนไปที่ไหนหน่อยก็กังวลล้วเอหายไปไหนวะ แฟนไปพูดไปคุยกับใครหน่อยก็ใจไม่ดีแล้วเอ๊ะเขาจะมีอะไรกันหรือเปล่าเนาะงั้นการที่ไม่ได้เจอแฟนไม่ได้เจอสิ่งที่เราอยากได้นี่ถือว่าเราเป็นบุญนะเป็นวาสนาของเราเพราะเราจะได้ไม่ต้องทุกข์เหม่ยหมดหรือยังถ้ามันมีปัญหาก็เลิกก็ได้ตัว <c oughs> ใกล้ยกล้ใหม่ถือไ ห, หม่ิถือไหม ขอถามพระอาจารย์นะครับใกล้ปากยขอญาตถามพระอาจารย์ครับสิ่งที่อยู่ในใจเราที่รับรู้อารมณ์แล้วควมเสื่งในจิตในใจเราสิ่งนี้ใช่จิตเราหรือเปล่าครับจิตเราเนี่ยนะแต่จิตเรามันมีหลายหน้าที่ไงตัวที่รับรู้รอารมณ์ต่างๆเราเรียกว่าสติมันอยู่ในจิตจิตมีทั้งการรับรู้มีการทั้งพั้งเผอเวลาไม่มีสติก็ไม่รับรู้ เวลาม่มาสติก็จะรับรู้เงน่้นถ้าเราอยากจะรับรู้เรื่องภายในจิตเราก็ต้องพยายามฝึกสติให้มีมากขึ้นให้มีเยอะเราจะได้รับรู้ว่ากำรังกำลังเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีเพราะสิ่งที่เกิดในจิตเรามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ถ้าเราคอยดูมันพอเกิดทุกข์เราก็หาวิธีกำจัดมันทันทีไม่ต้องไปกาจัดข้างนอกส่วนใหเราจะไปแก้ ความทุกข์ใจด้วยการไปแก้ที่ข้างนอกคนนั้นก็พูดไม่ดีทําให้เราทุกข์ใจแล้วจะไปตบหน้าเข า, างนี้มันไม่ได้ไปแก้หรอกไปเพิ่มความทุกข์เขาจะกลับมาตบเราต่อแต่ถ้าเราคิดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความไม่พอใจที่เราไม่ชอบให้เขามามาด่าเราเราก็ต้องใช้ความคิดว่าแล้วเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้หรือเปล่าได้ห้ามยังไง ก็อยากไปอยากให้เขาไม่ด่าเราเนทะ่านั้นก็อยากให้เขาด่าเราเราก็จะไม่ทุกข์นะถ้าเรามีสติเราก็จะคอยดูปัญหาที่มีอยู่ในใจแล้วแก้ที่ใจไม่ต้องไปแก้ที่คนที่เขามาทำให้เราทุกข์เพราะนั้นเป็นเพียง ช, ชนวนเป็นตัวจุดชนวนตัวที่ทำให้เราทุกข์คือความอยากของเราทำแล้วนะจะ ด, ดีว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ